เกกลามาวจระทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นกลามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกลามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกลามาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งย um ่อสภาวะธรรมที <nope. S 3> ่ไม่เ <Male> ป็นกลามวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุบรรจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะคันที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ การที่ไม่เป็นกามวจรอาศัยหาทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นร้อเก้าสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปฏิจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะร้อสภาวะธรรมที่เป็นการมวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกรรมาาวรมรรมจรและที่ไม่เป็นก ร, รมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นกามวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ กระตัดตารูปอาศัยขันที่ไม่เป็นกลามวจรและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกางมวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นกามวจรและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกามวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกลารมวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นกลามวจรและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระตัตตารูปอาศัยขันที่ไม่เป็นกลามวจรและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไน ร้อเ้หตุปัจจัยมีเ้าวาระอรมณะปัจจัยมีสี่วาระมธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระชาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระหาเสวนปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอหาระปัจจัยมีเก้าวาระอินทริยะปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเ้าวาระมรรคะปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีสีวาระวิคตะปัจจัยมีสี่วาระ วิคตตปัจใจเมียก้าวาระสปัจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุกปัจใจร้อยเก้าสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามวจรเกิดขึ้นเพราะนัเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นกรมวจรเกิดขึ้ น, น, จจ แ, น 3, และถึงอาศัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจจาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจจาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นละถึงเพราะณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิ ป, ปติปัจจัยเป็นต้นร้9ยสภาวะธรรมที่เป็นกายมวจร อาศัยสภาวธรรมท chalk, ี่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเป็นกรรมวจรอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามวจรเกิดขึ้นขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สอง ในปฏิสนธิขณนะสภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะหนาธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรและที่ไม่เป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะหนาทิปฏิปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นปกรรมวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นกรรมวจร อ, อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกรรมวจรและที่ไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นกรรมวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะสงวาระนอกนี้เป็นไปตามปกติละถึงเพราะณอนันตระปัจจัยละถึงเพราะณปุเรชาตะปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตะปัจจัยนณะอาเสวณปัจจัยสองรอ้อสภาวะธรรมที่เป็นกลามาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกลามาวจรเกิดขึ้นเพราะณอาเสวณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลางมวจรเกิดขึ้นเพราะนอาศิวณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลางมวจรเกิดขึ้นเพราะนอาศิวณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศายขันที่ไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่งเพิ่มบทที่เป็นมูลขันสามและจิตตะสมุทานรูปอาสัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นกรรมวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะวาระที่เหลือสามวาระเป็นไปตามปกติยอ่อสองปัจญยะปัจจนิยะสองสังขยาวาระสอง้อยหนึ่ง นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณะปัจจัยมีสามวาระนัทิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมณันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปนิเสัยปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนปัจชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอาศัยวะณปัจจัยมีเก้าวาระ นักรมะปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยมีหน er <loo> ึ่งวาระนมรคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนูณติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระ เพิ่เพิ่มการนับที่เหลือและาชาติวาระ93กลามาวจราทุกกะ3ปัจยวาระ1ปัจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย20 202สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมัมมถานรูป ทำขันหนึ่งที่เป็นกามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปที่เป็นภายในขันที่เป็นกามวจรธรรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรทำสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่เป็นกลามวจร ธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปจัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรและที่ไม่เป็นกามวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกลางมวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกลามวจรธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูจรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจร ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรและที่ไม่เป็นกามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรและที่ไม่เป็นกลามวจร ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นกามวจรและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะสะภาวะธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกามวจรทำสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสาม ทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นกรรมวจรและทำอธิวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตะสมุทานรูปทำขันที่ไม่เป็นกามวจอและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะยอ่อเหตุปัจจัยมีาวาระอรมณะปัจจัยมีีวาระอธิปฏิปัจจัยมี๖าวาระอนันตระปัจจัยมี๔วาระ สมนันตระปัจจัยมีสวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยัยปัจจัยมีเก้าวาระภูปานิสยัยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสวาระอาเสวะนปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยมีเ้าวาระละถึง of of วอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบนเหตุปัจจัย สองสภาวะธรรมที่เป็นกรรมวจรณ์ทำสภาวะธรรมที่เป็นกรรมวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นกรรมวจรในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาัตตพรมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายายตนะละถึง ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นกรรมวจรธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคต ด, ด้วยอุทัจจะและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงเพรา ะ, ะอา ร, รมณ์ปัจจัยมีสามวาระณนะอธิ ป, ปติปัจจัยเป็นต้นสองรส สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตพรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหนาอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจหวาระสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรทำสภาวธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหนาอธิปติปัจจัยเหมือนกับปฏิจหวาระเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลอธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกลามวจร ทำขันที่ไม่เป็นกลามวจรและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นกลามวจรและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นกลามวจรและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นวิบากที่ไม่เป็นกางมวจรและทำมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลและถึงเพราะณนะอุปนิสสะปัจจัยมีสามวาระเพราะณนะอาศัวณปัจจัยในสภาวะธรรมล้นวนและที่เกิดเจอกับนามพึงอกำหนดคำว่าวิบากแต่ในสภาวะธรรมที่เกิดรคัควรกับรูปไม่มีวิบากยอ่อ สุดทนายณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอันันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระณบุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาศีวนปัจจัยมีเก้าวาระ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 การนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้เก้าสิบสามกลามาวจระทุกะห้าสังสัทธวาระหนึ่งปัจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจใจสอง้อยห้าสภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรเกิดรัควกับสภาวะธรรมที่เป็นกลามาวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักควกับขันหนึ่งที่เป็นกลามาวจรละถึง เกิดรครวมกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเกิดรกรวมกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรวมกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นกามวจรและถึงเกิดรกวมกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอาทิปติปัจจัยมีสองวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรเพราะนะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดรคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นกลามาวจรและถึงเกิดรคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุทุกะโมหะที่สหอรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่โสโหรโกตุอุทจจะเกิดรกรกับขันที่สโหรคตด้วยวิจิกิจจ า, นาน Finanz, และท uh ี่โสโหรคตด้วยอุทจจะนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าทิปติปัจจัยมีสองวาระหน้ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระน้ปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระหน้อเจวนปัจจัยมีสองวาระน้กรรมปัจจัยมีสองวาระน้วิปากะปัจจัยมีสองวาระน้าชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นมมะคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระปั จ, จนิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และสมัมบยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้ 93. ก้าสิบสามกามาวัจระทุกะ ปัญหาวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่ง 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัยสอสภาวธรรมที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยเหตุปัใจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลางอมวจรโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกลางมวจรโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่ไม่เป็นกลางมวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัใจจัยในปฏิสนธิขณะอารามณปัจจัยสองเจสภาวธรรมที่เป็นกลางมวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกลางมวจรโดยอารามณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรัษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้ว ยินดีเพล่ดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิเพลินกุศลนั้นราคะโทมานต์จึงเกิดขึ้นพระอริยะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานและถึงเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่เป็นกรรมวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง ทมนัสจึงเกิดขึ้นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่เป็นกามวจรด้วยเจโตปริยญาณ ขันที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยนากามูปะคยานและอนาคตังสยานโดยอารมณปัจจัย208สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยอารมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มากและผลโดยอารมณปัจจัย บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นกรรมามวจรด้วยเจโตปริยญาณอากาชานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญายตนะอาคินจัญญยตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะขันธ์ที่ไม่เป็นกรรมามวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณโปเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขยาน และอนาคตังจยานโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเ พ, นพราะปารากฏความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพพาน นิพพานเป็นป<ะ>ัจจัยแห่โคตรภูโวทานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยบุคคลพิจารณาอากาสารัญญาญตนะพิจารณาวิญญาณัญจาญตนะพิจารณาอากินจัญญายาตนะพิจารณาเนวสัญญาณสัญญายาตนะพิจารณาทิพจักขุพิจารณาทิปโสตธาตพิจารณาอิทธิวิทยานพิจารณาเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณ ยถากรมูปะคยานพิจารณาอนาคตังสยานบุคคลเห็นแจ้งขันที่ไม่เป็นกลามาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตเจงเกิดขึ้นธิปติปัจใจสองย 9, สภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจใจแห่สภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรโดยทิปติปัจใจมีสองอย่างคืออรมนาธิปติและสหชาตาธิปติอรมนาธิปติได้แก่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 และขันที่เป็นกลามวจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลือพล่อนจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นกรรางมวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย 210. สสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกรรมามวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาทิปติและสหชาตาทิปติอารมณาทิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยทิปติปัจจัยสหชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันโดยธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นการามวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกรามวจรโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสาชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลออกจากฌานแล้วพิจรารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลิเพลนเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น พระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและโวทานโดยอธิปติปัจจัยบุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาวิญญาณัญญายตนะอาคนจัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาทิปจักขุ ที่ประสงคท้าตัอิทธิวิทยานอนาคตั่งสยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่เป็นกลามาวจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิด เ, เพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทารูปโดยทิปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกลางมวจรและที่ไม่เป็นกามวจรโดยทิฏฐ vale er, pues ิป wow ัจจัยมีอย да ่างเดียวคือชาชาตาธิปฐิได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยทิฏฐิปัจจัยอันันตระปัจจัยเป็นต้นสองสิอสภาวธรรมที่เป็นกลางมวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกรรมวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ท um ี่เ um, ป็นกามวจรซึ ar ่งเกิด oh ก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามวจรซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรระผูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามวจรโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่เป oh mm. ็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่เป็นกลามวจรอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกลามวจรโดยอนันตรัปัจจัยขันธ์ที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่วุฒนะที่ไม่เป็นกลางมวจรโดยอนันตรัปปจัยบริกรรมปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมเจตุทชัชฌานบริกรรมเนวสัญญาณาสัญญายาตนะบริกรรมที่ประจักษขุบริกรรมโสตธาตุอิธิวิทยานเจโตปริยาญาณโอเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขยานบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอนันตรปัจจัยโคตระภูเป็นปัจจัยแก่มรรค โธทานเป็นปัจจัยแก่มักอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ภะสมาบัตโดยอนันตรปัจจัยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกลามาวจรซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกลามาวจรซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่ผล ผลเป็นปัจจัยแก่ผลเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกลางมวจรโดยนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่เป็นกลามวจรภาวนกะจิตที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่อวชนะจิต ขันธ์ที่ไม่เป็นกลา ม, มวจร ấn, เป็นปัจจัยแห่วุฒานะที่เป็นกลางมวจรโดยอนัตตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตราปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยนิเสยาปัจจัยมีเจ็ดวาระอูปานิเสยาปัจจัยสองร้สิภาวะธรรมที่เป็นกลามวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกรรมวจรโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปะนิสยาอันันตรูปะนิสยะและประกระตูปนิสยะประกระตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศจัตวาที่เป็นกามวจรแล้วให้ทานสมาทานศเศรษาอุโบสถทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นกรรมวจรปัญญาราคะความปรารถนา สุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสะนาสะนะแล้วให้ทานทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสง์ศธาที่เป็นกามาวจรเสนาสะนะเป็นปัจจัยแก่ศัทธาที่เป็นกามวจรความปรารถนาสุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามาวจร โดยอุปาณิสย <Always> ปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตา ร, รูปานิสยาและปะกระตูปานิสยาปะกระตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยจัตตาที่เป็นกลามวจรแล้วทำฌานที่ไม่เป็นกลามวจรให้เกิดขึ้นธรรมมักอภิญญาสมาบัติที่เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นกลามวจรเสนาสนะแล้วทำฌานที่ไม่เป็นกลามวจรให้เกิดขึ้นธรรมมักอภิญญาสมาบัติที่เกิดขึ้น ศรัทธาที่เป็นการมวจรเสนาสะนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นการมวจรปัญญามรรคและพระสมบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานเจตุทัชฌานละถึงอากาสา น, านายยัญจยตนะปฐมมรรคละถึงบริกรรมเจตุทมมรรคเป็นปัจจัยแก่เจตุทมมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัย2องร สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนิสยาอันันตารูปาณิสยาและปะกะตูปนณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นกามวจรแล้วทำช้าให้เกิดขึ้นธรรมะอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่เป็นกามวจรปัญญา แล้วทำฌานที่ไม่เป็นกลางมาวจรให้เกิดขึ้นทำมัคคปิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัท ธ, ธาที่ไม่เป็นกลามาวจรและถึงปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาที่ไม่เป็นกลามาวจรปัญญามัคและพระสมาบัตโดยอุปนิสัยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยและถึงตติยฌานจตุทัฌานอากาสานัญญ า, นาตนะ เป็นป ah, ad, Diana, jusqu jusqu ัจจัยแขวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเป็นปัจจัยแ่เนาวัสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยปฐมมรรคเป็นปัจจัยแขทุติยมรรคทุติยมรรคเป็นปัจจัยแขตติยมรรคตติยมรรคเป็นปัจจัยแขเจตุธมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแขพลสมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเป็นกลามวจร เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรโดยอุปาินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปนิสยอนันตารูปนิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นกลามวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถรทิฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นกลามวจรปัญญาแล้วให้ทาน สมาทานศีลรักษาอุโบสถทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นกามาวจรปัญญาราคะความปรารถนาะสุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยพระอริยะอาศัยมรรคแล้วเห็นแช่งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงมรรคของพระอริยเป็นปัจจัยแก่อัถปฏิสัมพิทา ธรรมปฏิสัมภิทานิรุติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปนิเสสยปัจจัยระสมาบัตเป็นปัจจัยแก่สุขทางลายโดยอุปนิเสสยปัจจัย